สัมผัสสยองช่องหมูป่านังเหนียวสวัสดีครับแอดมินและผู้ติดตามรับฟังช่องสัมผัสสยองทุกๆท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาเล่าเรื่องของปู่ผมให้ได้รับฟังกันอีกครั้งจากครั้งก่อนที่ผมได้เล่าเรื่องของปู่และลุงผม ที่ได้เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจนทำให้ปู่ผมเกือบจะไม่รอดกลับมาถ้าหากใครยังไม่ได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้ทีเรื่องสัน้นสยองขวัญตอนพ่านป่าผีป่าบางังไพรได้นะครับส่วนในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของหมูป่าให้ฟัง ไม่ใช่13หมูป่านะครับแต่มันเป็นหมูป่านังเหนียวที่มีช้องหมูป่าสามารถหาดูรูปได้ทางอินเทอร์เน็ตเพราะของจริงปู่บอกว่าเอามันมาไม่ได้มันหนังเหนียวมากยิงเท่าไหร่ก็ไม่เขา้าจากเหตุการณ์ที่ผมได้เล่าไปในครั้งก่อนมันเกิดขึ้น ร, ราวๆสี่ปีที่แล้วไม่ใช่ห้าปีอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านั้นนะครับ ต้องขอโทษด้วยที่ข้อมูลผิดพลาดเพราะเหตุการ์มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วสมัยนั้นปู่ผมอายุเกือบๆจะ30ปีส่วนลุงก็อายุ13บ4ปีอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับแต่ก่อนที่จะเล่าผมขออธิบายเกี่ยวกับช้องหมูป่าก่อนว่ามันคืออะไรช้องหมูป่าเป็นเครื่องรางของขลังที่มีความขรังทางด้านคงกระพัน เป็นเส้นขนที่ยาวเป็นพิเศษขึ้นที่บริเวณส่วนหัวระหว่างกิ้วของหมูป่าโดยเฉพาะหมูป่าโทนหรือหมูป่าตัวผู้ที่ชอบหากินอยู่ตัวเดียวช่องหมูป่าสามารถคุ้มครองป้องกันภัยกับผู้ครอบครองได้โดยการพกติดตัวไว้ตลอดเวลามันสามารถที่จะช่วยป้องกันคมกระสุนคมดาบได้จึงทาให้มีคนต้องการ ที่จะครอบครองเป็นจำนวนมากแต่ในปัจจุบันมันก็หาได้ยากแล้วเพราะการล่าหมูป่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งผู้ที่มีครอบครองอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บเอาไว้อย่างเงียบๆเพราะกลัวว่าหากมีคนรู้อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตนเองได้หลังจากที่ครั้งก่อนปูผมเข้าป่าไปแล้วขากรับถึงกับต้องหามกลับกันเลยทีเดียว จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ปู่ผมไม่ได้เข้าป่าไปอีกหลายเดือนจนวันหนึ่งปู่แหวงเพื่อนปู่คนเดิมก็มาชวนปู่เข้าป่าอีกครั้งป่านั้นเป็นป่าเดิมที่ปู่เคยไปกับลุงนั่นแหละเมื่อเพื่อนปู่มาถึงก็ถามว่าไอเจริญมึงเข้าป่าได้ยังวะปู่จึงตอบไปว่ากูเข้าได้ตั้งนานแล้วรอมึงชวนกูอยู่เนี่ยดี งั้นพรุ่งนี้ตีสามออกเดินทางกันเลยวันถัดมาเวลาตีสามปู่ก็เดินทางออกจากบ้านไปกับเพื่อนแต่ครั้งนี้ไม่มีลุงไปด้วยโดยปู่ให้เหตุผลว่ากลัวมันจะยิงปู่ถึงแม้ว่าปู่จะหนังเหนียวเพราะมีวิชาอยู่บ้างแต่ก็กลัวตายเหมือนกันและสภาพจิตใจของลุงในตอนนั้นก็ยังไม่เข้มแข็งพอ สถานที่ที่ปู่เดินทางไปกับเพื่อนนั้นครั้งนี้อยู่ลึกกว่าเดิมต้องเดินเข้าไปอีกหนึ่งสองกิโลเมตรพอไปถึงก็ทำห้างสองสัตว์เพื่อไว้นั่งบนต้นไม้รอดักยิงสัตว์ที่ผ่านเข้ามาใกล้คืนนั้นปู่กับเพื่อนก็นั่งกันทั้งคืนแต่ก็ไม่มีตัวอะไรออกมาให้ยิงเลยพอรุ่งเชา้าปู่กับเพื่อนก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินยิงไปเรื่อยๆดีกว่า เพราะคิดว่าถ้ายังนั่งรออยู่บนห้างคงไม่ได้อะไรติดมือกลับไปแน่ๆทั้งสองเดินลึกเข้าไปในป่าจนมาถึงต้นกล้วยป่าก็เห็นหมูป่าตัวหนึ่งเขี้ยวยาวมากยาวเป็นนิ้วๆเลยหมูป่าตัวนั้นยืนหันข้างและอยู่ห่างไปเพียง15เมตรเท่านั้นปูทรงซิกบอกกับเพื่อนว่าเจ้าหมูป่าตัวนี้กลับบ้าน ลาวเล็งปืนลูกซองเบอร์12ไปทางหมูป่าส่วนเพื่อนของปู่ใช้ปืนลูกซองกระสุนลูกโดดแบบไทยประดิษฐ์เล็งไปทางหมูป่าเหมือนกันปู่เปิดก่อนโดยปืนลูกซองของแก่เนี่ยกายยิงโดนหมูป่าเต็มเต็มแล้วเพื่อนของปู่ก็ซ้ำด้วยลูกโดดไปอีกนัดเสียงปืนดังสนั่นลั่นป่า นกบินหนีเหมือนกับเพึ่งแตกรังพอสิ้นเสียงปืนควันที่ปรายกระบอกปืนเริ่มจางลงแล้วทั้งสองก็ต้องตกใจเพราะหมูป่าหันหน้ามาทางปู่กับเพื่อนที่ร่างกายของมันไม่มีร่องรอยของกระสุนเลยแม้แต่น้อยหมูป่ารีบวิ่งปรีเข้ามาในทันทีแม่งเล่นกูอีกแล้ว ปูตะโกนขึ้นพร้อมกับวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็ปีนขึ้นไปแต่หมูป่าตัวนั้นก็ไม่ยอมแพ้พยายามกัดต้นไม้เหมือนจะโค่นมันลงมาให้ได้เมื่อปูเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็สงสัยสิครับในเมื่อปูมีคาถ า, าคมทำไมไม่ลงคาถาไปที่กระสุนแล้วลองยิงซ้าเข้าไปอีกปูจึงตอบผมว่า มึงวิ่งขึ้นต้นไม้มึงคิดว่ามึงจะถือปืนอยู่เรอระกูยนทิ้งไปตั้งแต่มันหันหน้ามาแล้วผมจึงถามปู่ไปว่าแล้วปู่ทำยังไงต่อล่ะในเมื่อไม่มีปืนแล้วกูก็ยกมือขอโทษขอขมาสิขออยู่เป็นชั่วโมงโนนกว่าหมูป่าจะไปแล้วปู่ก็บอกว่าหมูป่าลักษณะนี้เมื่อสิ้นอายุขยก็จะตายเอง ถ้าหากใครไปเจอซาเข้าคิดที่จะเอาช้องหมูป่าก็จะต้องทำพิธีขอเสียก่อนมันเป็นเครื่องรางของขรังอย่างดีเลยล่ะแต่กูไม่เอาหรอกไม่คุ้มที่จะเสี่ยงตายหลังจากวันนั้นปู่และเพื่อนของปู่เวลาไปเข้าป่าก็ไม่เคยเจอกับหมูปา่าหนังเหนียวตัวนั้นอีกเลยป่าในสมัยนั้นมันมีเรื่องราวลีลาอาถรรพ์ต่าง และมีอะไรที่ยังไม่รู้อีกมากพีกระหังเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณต้นน้อยที่ได้ฝากเรื่องราวเอาไว้ในครั้งก่อนหากใครยังไม่เคยได้รับฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องนางตะเคียนซึ่งรวมอยู่ในเรื่องสั้นได้นะครับต่อไปนี้ จะเป็นเรื่องดาวที่คุณตนอ้อยได้เล่าให้แอดมินฟังซึ่งได้เล่าว่าหลังจากที่เราไปเรียนที่กรุงเทพจนถึงชั้นมสองพอปิดเทอมก็กลับบ้านที่อยู่ทางภาคอีสานพร้อมกับเจและนิวครอบครัวของเราเมื่อรู้ว่าเราจะกลับก็ดีใจมากเพราะเราไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วที่บ้านเราก็เลยทําหมูกระทะ เราเลยถือโอกาสชวนเพื่อนในแก๊งของเราที่มีฝาแฝดคือแอมกับออมก้อยเจนิวและายในขณะที่กำลังสังสรรค์กันอยู่นั้นตอนนั้นก็เย็ยนมากแล้วเราก็บังเงินหันไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเราซึ่งห่างไปไม่ไกลนักเมื่อแอมเห็นเรามองอย่างนั้นมันก็หันไปมองตามเราแล้วมันก็ถามเรา ว่าชวนใครมาด้วยเราก็ตอบปฏิเสธกลับไปว่าไม่ได้ชวนใครมาอีกเพราะสังสรรค์กันเสร็จนิวแม่และเราก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามตอนนั้นมันก็ดึกแล้วนิวจึงขอค้างกับเราด้วยเพราะบ้านของนิวมันก็อยู่ไกลพอสมควรเราจึงให้นิวมานอนด้วยที่ชั้นสองซึ่งปกติ เรามักจะชอบนอนชั้นล่างมากกว่าหลังจากทำอะไรเสร็จเรียบร้อยคืนนั้นเราสองคนก็หลับไปตกดึกเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนเรานอนไม่หลับทั้งทั้งที่ปกติจะเป็นคนหลับง่ายส่วนนิวมันหลับไปแล้วสักพักเราก็ได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนกับว่ามันตกใจอะไรบางอย่างเราจึงหันไปมองที่หน้าต่าง แล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกด้านหลังหน้าต่างบานนั้น ท, ทั้งที่มันเป็นชั้นสองและก็ไม่มีระเบียงอีกด้วยเรามองตาค้างแสงไฟจากด้านนอกทําให้เราพอจะมองเห็นว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใส่เสือ้อหน้าตาน่ากลัวมันทําให้เราตกใจมากจึงนำสร้อยพระของหลวงพอ่อที่เรานับถือมาผนม แล้วสวดมนต์จนหลับไปพอเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็เห็นนิวยังคงหลับอยู่เราจึงรีบนำเรื่องที่เจอเมื่อคืนไปเล่าให้ลุงฟังลุงจึงเล่าให้เราฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีตาคนหนึ่งชื่อว่าวันแกเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยเข้าสังคมมากนักวันหนึ่งแกก็หายตัวไปเสียดือด้อ พอมีคนพบเจออีกครั้งก็เจอตาวันในสภาพที่เป็นผีกระหังว่ากันว่าตาวันแกเล่นไสยศาสตร์แล้วของเข้าตัวก็เลยทำให้เป็นผีกระหังอย่างที่มีคนพบเจอนั่นแหละกระดูกผีสวัสดีครับผมช่างจอยพระรามสอง วันนี้มีโอกาสได้มาแบ่งปันเรื่องราวของผมให้เพื่อนๆและพี่น้องได้รับฟังซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองย้อนกลับไปเมื่อ13ปีก่อนผมมีอาชีพเป็นเด็กรถซึ่งต้องติดรถส่งของไปต่างจังหวัดทีละหลายวันตอนนั้นผมต้องไปส่งชุดเครื่องนอนของบริษัทแห่งหนึ่งจากกรุงเทพปลายทางไปยังขอนแก่น รถได้ออกเดินทางมาจากกรุงเทพเวลาสองทุ่มกว่าๆและไปถึงขอนแก่นราวๆตีห้าเสรศษ เ, เมื่อไปถึงยังจุดหมายผมก็รู้สึกตัวตื่นแต่ก็นอนต่อเพราะง่วงมากเวลาผ่านไปจนถึงประมาณห3โมงสสิบนาทีพี่คนขับก็ปลุกให้ตื่นเพื่อที่จะให้ผมเอาบินไปลงคิวนำของไปลง เมื่อผมนำบินไปลงคิวไว้กับรอปรพอแล้วผมก็เดินมานั่งตรงลานดินที่จอดรถซึ่งเป็นดินที่เพิ่งจะถมมาหมัดมามันดูเหมือนกับว่าเพิ่งถมเสร็จได้แค่วันสองวันด้วยความสซนของผมก็หยิบเอาเศษไม้มาเขี่ยเล่นที่บริเวณพื้นดินนั้นผมเขี่ยไปเรื่อยๆจนเป็นหลุมหลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือได้แล้วก็เจอกระดูกอะไรไม่รู้ ผมทิ้งไม้ที่ถืออยู่แล้วหยิบกระดูกขึ้นมาดูก็เห็นว่ากระดูกนั้นมันมีความยาวประมาณสองนิ้วได้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหยิบมาดูแล้วก็โยนทิ้งเข้าป่าไปเพราะคิดว่าคงเป็นกระดูกของสัตว์วันต่อมาผมก็เดินทางกลับมายังกรุงเทพหลังจากทาอะไรเสร็จเรียบร้อย ก็กลับมาทีพักของที่ทำงานคืนนั้นผมหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงตอนเช้าเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีผมตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าทุกคนออกไปทำงานกันหมดแล้วเหลือเพียงแต่ผมคนเดียวที่อยู่ในห้องเนื่องจากว่าผมเข้างานตอนแปดโมงครึง่ง ที่ทำงานก็อยู่ไกลๆก็เลยยังเหลือเวลาอีกพอสมควรจึงนอนต่อในระหว่างที่ผมนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นก็มีเสียงเหมือนมีคนเอาฝ่ามือมาทุบที่ประตูห้องนอนของผมอย่างแรงถึงสองครั้งพอทุบเสร็จก็เงียบไปไม่มีเสียงเรียกใดๆผมยังไม่เใจอะไรเพราะคิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่ ไม่ถึงอึดใจก็มีเสียงเหมือนเดิมดังขึ้นมาอีกคราวนี้มารัวๆเลยผมตกใจกระโดดลุกขึ้นไปเปิดประตูในทันทีเมื่อเปิดประตูออกไปสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ากลับเป็นความว่างเปล่าผมชะโงกหน้าออกไปดูบริเวณหน้าห้องก็ไม่เห็นใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียว ตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกกลัวแล้วก็เลยเรียบไปอาบน้ำแล้วออกไปทำงานถึงแม้ว่าในตอนนั้นจะไม่ใช่เวลาเข้างานผมก็ตามจนผมได้มีโอกาสคุยกับคนขับรถที่ไปกับผมที่ขอนแก่นเมื่อพี่เขาได้ฟังก็บอกว่าผมเจอดีแล้วละ่ะเพราะเขาได้ยินมาว่าดินที่เขาเอามาถมทำลานจอดรถ ที่เราไปจอดรถกันตอนไปส่งของดินนั้นมันเป็นดินจากป่าช้าเก่ามันทำให้ผมตกใจและอึงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไปพักใหญ่เพราะกระดูกที่ผมเขี่ยเลนแล้วหยิบโยนทิ้งไปมันอาจจะไม่ใช่กระดูกของสัตว์อย่างที่ผมคิดก็ได้หลังจากนั้นผมก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อผมฟัง แล้วพ่อผมก็พาไปถวายสังฆทานรดน้ำมนต์พระท่านยังทักอีกว่าไม่มีอะไรหรอกโยมเขาแค่มาขอส่วนบุญเฉยๆผมก็ได้แต่นั่งอ้าปากค้างตกใจกับสิ่งที่พระท่านบอกแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็ไม่เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลย สมภัทสย่